โดยประชุมจกักษุลงอริยสัจทั้ง4หูก็เหมือนกั น, นประชุมหูลงอริยสัจประชุมจมูกประชุมลิ้นกายใจลงอริยสัจหมดเลยอยนี้นะเรียกว่าอวัยวะตระนาภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจประชุมลงอริยสัจหมดสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยชอบอย่างแม่นยําด้วยพระองค์เองทีนี้พระองค์ก็ทรงตรัสรูอร้อวัยวะตระนาภายนอกเนี่ยนะอย่างรูปเสียง กลิ่นรสโพธิภะและธรรมรมอายตนาภายนอกทั้งหกเหล่านี้เลยนะในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภภะและธรรมรมนั้นพระองค์ก็ประชุมมารยาัสตร์ลงในรูปอย่างเช่นรูปขมรูปนี้หมายถึงอะไรนะยมมรูปเป็นยังไง ร, รูปกรรมจิตอุตและอาหารถ้าดูที่ว่าจะสอบสวนดูว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่ารูปเป็นยังไง ร, รูปคือ สิ่งที่หลับตาแล้วมองไม่เห็นนี้รือเป่าเออรูปนั้นเขาบอกว่าคนตาบอดรู้ไม่ได้นั่นแหละรเรียกว่ารูปทั้งหมดเลยเนะี่ยในโลกเนี่ยอะไรก็ตามอะ่ะสิ่งที่คนตาบอดมองไม่เห็นนั่นแหละรเรียกว่ารูปต้องใช้ตาจึงจะรู้ได้สีนั่นแหละอ่าคําว่ารูปนั้นหรือสีเนี่ยนะสีเนี่ยเกิดจากสมุทฐานกิจักถ้าสีเน้นสีในกายเนี่ยนะสีในกายนี่เกิดจาก กรรมหนึ่งเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและเกิดจากอาหารเนี่ยนะสีเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารถ้าหากว่าคนจะรู้จักสีจริงๆจะต้องรู้จักหรือว่ารู้จักรูปจริงๆจะต้องรู้จักรูปสมุทัยคือเหตุให้เกิดรูปนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่ารู้ทราบซึ่งจริงๆก็ต้องรู้ที่สุดแห่งรูปและรูปสมุทัยคือรูปนิโรธด้วยถ้ารู้จริงๆก็ต้องรู้ข้อปฏิบัติ เป็นเหตุกําหนดรู้รูปและรูปสมุทยัยทำรูปนิโรธให้แจ้งนะอันนี้เขาเรียกว่ารูปนิโรธคามินีปฏิปทาสงเคราะห์สีลงอริยสัจได้นะสงเคราะห์เสียงลงอริยสัจสงเคราะห์กลิ่นสงเคราะห์รสสงเคราะห์โพธะะและสงเคราะห์ธรรมรมลงอริยสัจได้ประชุมอริยสัจลงที่สีเสียงกลิ่นรสโพธะะและธรรมรม สิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองเนี่ยนะโดยที่ไม่มีคนแนะนำมันพระองค์จึงชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะอายตนะภายนอกหกเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะธรรมารมณ์เนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมในกายเรานั่นแหละแต่ว่านอกคําว่าอายตนะภายนอกนอกไหนคือนอกตานอกหูนอกจมูกนอกลิ้นนอกกายนอกใจสิ่งนั้นนอกนอกหกอย่างนี่แหละเรียกว่าอายตนะภายนอก ก็อยู่ในกายเรานั่นแหละในกายคนอื่นด้วยเนาะทีนี้ต่อไปนะว่าวิญญาณหอาศัยตากับสีเกิดวิญญาณอะไรอาศัยตากับสีเกิดจกักรวิญญาณอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดขานวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกาย กับโพธาภากระทบการเกิดกายวิญญาณอาศัยมโนคือผวังกฐธรรมะเกิดมโนวิญญาณเพราะวิญญาณมี6นะวิญญาณ6คือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณโปรองก็ไปชุมจักขูวิญญาณลงอริยสัจได้นะจักขูวิญญาณอย่างนี้จักขูวิญญาณสมุทัยเหตุให้เกิดจักขูวิญญาณจักขูวิญญาณนิโรธเนี่ยนะ คือความไม่เป็นไปแห่งจกักขูและจกักความไม่เป็นไปแห่งจกักขูวิญญาณและจักขู่วิญญาณสมุทัยจักขู่วิญญาณ น, นิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแทงตลอดจกัญญนนดนนจกขูวิญญาณนิโรธอ่ะอันนั้นจักขูวิญญาณหรือเป็นต้นเนี่ยนะก็ประชมลงอริยสัจได้ทั้งหมดเลยนะสิ่งเหล่านี้ก็สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยชอบและด้วยพระองค์เอง สัมผัสหมีจกักขรสัมผัสเป็นต้นสัมผัส6อย่างนี้นะเขาบอกว่าอาศัยตากับรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสมอย่างเรียกภาษอาอนนะตากับสีเกิดจากขูวิญญาณประชุม3าอย่างเรียกภาษาอันนี้เนี่ยเรียกว่าจักรสัมผัสนันะถ้าหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมะสมอย่างเรียกโสตะสัมผัส จมูกกับกลิ่นเกิดขานวิญญาณความจากัจกขูสัมผัสนิโรธจักขูสัมผัสนิโรภัตอาศัยลิ้นกับรสเกิดเฉีวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกว่าเฉีวหาสัมผัสอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกว่ากายสัมผัสอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกว่ามโนสัมผัส ในเด็กสัมผัสหนะสัมผัส6ก็คือจักรคูสัมผัสโสตสัมผัสขานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสและมโนสัมผัสทีนี้จักรคู่สัมผัสเนี่ยพระองค์ก็ประชมลงอริยสัจเลยจักรคู่สัมผัสจักรคูสัมผัสสะสมุทัยจักรคู่สัมผัสนิโรจัักสสมผนิโรธาคามินีปฏิปทาโอ้ จากขูสัมผัสนี้ก็ใครที่สามารถทะลุทะลวงมีปัญญากว้างขวางก็แทงตลอดอริยสัจ ต, ตรงนั้นได้นะหรืถ้าจะเอาอีกต่อไปก็คือเวทนา6มีจากขูสัมผัสชาวเวทนาเป็นต้นเนี่ยองค์จะแสดงว่าอาศัยจากขูและรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสมประการเรียกจากขูสัมผัสใช่ไหมเพราะจากขูสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยจึงเกิด จักขุสัมผัสชาเวทนานะจึงเกิดจักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยถ้าหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างนี้เรียกว่าโสตสัมผัสใช่ไหมเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยจึงเกิดโสตสัมผัสชาเวทนาหรือเรียกว่าโส เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปัจจัยอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างนี่แหละเรียกว่าคานสัมผัสเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสอย่างนี้เรียกว่าคานสัมผัสชาวเวทนาถ้าทางลิ้นลิ้นน่ทางลิ้น อาศัายลิ้นกับรถเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดทางลิ้นเนี่ยนะเรียกว่าเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสหรือเรียกว่าจักขูชิวหาสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนา ทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์และอุเบกขานะถ้าหากว่าทางกายละ่ะกายเนี่ยกัหัวจรดเท้าเลยนะตรงไหนตรงหนึ่งที่มันเจ็บที่มันสุขที่มันทุกข์ได้ที่มันเจ็บที่มันปวดที่มันเมื่อยหรือสบายได้ที่ตรงนั้นเรียกว่ากายอ า, อาศัยกายกับโพธิภาพเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างนี้เป็นเป็นภาษานะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทีนี้สัมผัสทางกายเรียกว่ากายสัมผัสเวทนาที่เกิดทางกายเรียกว่ากายสัมผัสสชาเวทนาโอ้วันนี้ได้ภาษาบาลีไปเยอะเลยทีนี้ต่อไปอีกนะว่านั่นแหละเดี๋ยวก็คุ้นแล้วโอ้ต่อไปนี่สบายมากเลยขอมานีฟังตรงนี้เมื่อก่อนนี่ฮาวดวดวดสาครั้งโอ้ยอะไรจะจบสักทีไหมเครียดแล้วเกินหนึ่ง มาพอมักหน้าเข้าเอ้มาพูดตัเองเลยเรื่องนั้นน่ะนะเรื่องที่เราไม่เคยชอบนั่นแหละมาพูดตะเองเลยนี่หลเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเรื่องนี้มันลึกซึ้งอ่ะแต่ก็มันอยู่ก็ใกล้ใกล้ปากเรานี่ยแหละอยู่ในนี่แหละในชีวิตของเรานี่แหละแต่ถ้าไม่รู้เป็นอะไรรู้ไหมถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรอวิชชาอาวิชชาความมืดไม่ได้ยังอื่นแล้วไม่ได้หลับตาแล้วเขาเรียกว่ามืดอ่ะมองไม่เห็นความจริงเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าอาวิชชาความมืดเหมือนกันเถอะ ทีนี้ต่อไปอีกนะว่าถ้ามโนกับธรรมะมะโนซึ่งหมายถึงภวังเนี่ยนะมะโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างนั่นแหละเป็นภัสสะหรือกมโนสัมผัสทีนี้เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาทีนี้ในเวทนาเหล่านี้พระองค์ก็สงเคราะห์อริยสั์ลงไปในนั้นเลยนะสงเคราะห์ว่าเวทนา เวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาทีนี้บางแห่งนีอย่างในทีข้านาสูตรเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงเวทนาว่าเวทนามีสาอย่างใช่ไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบขาเวทนาขณะที่เสวยสุขเวทนาขณะนั้นมีทุกขเวทนาไหมไม่มีนะ ในขณะที่เสวยสุขเวทนาในขณะนั้นไม่มีทุกขเวทนาไม่มีอุเบขาเวทนาเลยในขณะไหนที่เสวยทุกขเวทนาในขณะนั้นจะไม่มีสุขเวทนาจะไม่มีอุเบขาเวทนามีอย่างเดียวคือทุกขเวทนาล้วนในขณะใดที่เสวยอุเบขาเวทนาขณะนั้นจะไม่มีสุขเวทนาจะไม่มี ทุกเขเวทนาะมีเฉพาะอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะถ้าดีใจก็สแสดงว่าขณะนั้นไม่ได้เสียใจไม่ได้เฉยเฉยขณะที่เสียใจขณะนั้นไม่ได้ดีใจและไม่เฉยเฉยขณะไหนที่เฉยเฉแสดงว่าขณะนั้นไม่ดีใจและไม่เสียใจเกิดทีละอย่างทีละอย่างจะมีเวทนาทีละอย่างทีละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่พิจารณาเวทนาอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นปัจจัยเพราะว่าโสมนัสเวทนาหรือสุขเวทนาบางครั้งก็เป็นกุศลอกุศลและอัพยกตะถ้าเกิดการใคร่ครวญมากๆก็เห็นถึงความไม่มีสาระของเวทนาพระพุทธเจ้านี้ทรงอุปมาเวทนาเหมือนกับเหมือนกับต่อมน้ําเท่านั้นเองต่อมน้ําซึ่งมันมันมันพองขึ้นใช่ไหมมันพองขึ้นมันก็แตกเพาะแค่นั้นเองพองขึ้นแล้วก็แตกพองขึ้นแล้วก็แตก ความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เกิดทางตาหูจมูกเล่นกายใจเหมือนกับต่อมน้ำเท่านั้นเองแป๊บๆระยะหนึ่งระยะหนึ่งระยะหนึ่งสั้นๆเท่านั้นเองโอ้ยไปเชื่ออะไรมากกับความรู้สึกเนาะความรู้สึกซึ่งเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเนเวทนาเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเกิดจากภาษาเป็นปัจจัยภาษาเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเกิดจากการประชุมของธรรมะสามอย่างนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมี ภาษาเพราะฉะนั้นพระอภาษาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีเวทนาถ้าไม่มีภาษาเวทนามีไหมไม่มีนะนั้นเวทนานี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อา้าวเกิดจากปัจจัยพอพระ อ, องค์ก็ประชุมเวทนาลงในอริยสัจทั้งสประการคือเวทนานี้ไม่เที่ยงอยู่แล้วสิ่งที่นาเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรหรือที่จะตามมานั่นของเราในควรนะนั่นเรานั่น อัตตาของเราโอ้ไม่ควรเลยเนี่ยนะอันถ้าผู้ที่สามารถเจริญพิจารณาปัญญาเวทพิจารณาเวทนาอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ตามเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอันผู้ที่ตามพิจารณาอย่างนี้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ พ่อพระองค์ก็ประชุมเวทนาลงในอริยสัจทั้งสี่ประการคือเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธและเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาส่วนสัญญาเป็นต้นก็คงจะเป็นวันหลังต่อไปอีกนะคงจะเป็นวันหลังต่อไปอีกวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะเราก็ได้มีความรู้ขึ้นในเรื่องของคำว่าสัมมาสัมพุโทโธ เน้นถ้าหากว่าผู้ที่ฟังแล้วพอเข้าใจก็เอาไปตรึกเอาไปตรึกบ่อยๆเนี่ยนะสงเคราะห์ลงในชีวิตของเราว่าโอ้พระองค์นี้แทงตลอดสภาวธรรมเหล่านี้ในชีวิตของเรารู้แจ้งแทงตลอดอย่างหมดสิ้นไม่มีส่วนเหลือเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทําให้แจ้งไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวอพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงทาให้แจ้งทั้งหมดทั้งสิ้นพระองค์จึงชื่อว่าสัมมาสัมพุทธ佛 ผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องแม่นยำด้วยพระองค์เองเนี่ยนะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้อันบทว่าสัมมาสัมพุโทโธนั้นเป็นบทที่มีความสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมะถ้าเราจะศึกษาพระไตรปิฎกนะในหัวข้อทั้งหลายเนี่ยนะประมาณ26หัวข้อเนี่ยเอาคูณลงอริยสัจให้หมดเลย นนหนึ่งบทคูณอริยสัจ ท, ทุกๆบทเลยนะทุกๆคําเช่นตากค็คูณลงอริยสัจหูก็คูณลงอริยสัจจมูกก็คูณลงอริยสัจ ท, ทั้งหมดเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละบทแต่ละบทเหล่านั้นสามารถอย่างถึงสามารถทําให้แทงตลอดสัจธรรมทั้งสประการได้หมดเลย ถ้าหากว่าผู้นั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอริยสัจเป็นอย่างดีเนี่ยนะวันนี้ก็จะขอเลยไปถึงพระพุทธคุณบทว่าด้วยวิชาจารณะสัมปันโนาำ่าวิชานั้นหมายถึงความรู้เนี่ยนะว่าไงคือตัญหาที่ที่เกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างในะรูปปตัตญหา ความยินดีในสีใช่ไหมรูปปัญหาคือความยินดีในสีนี้ถ้าขณะที่ยินดีเนี่ยเขาเป็นทุกขสัตว์ถ้าขณะนี้นะเขาเป็นทุกขสัตว์ซึ่งเขาอาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์ที่เป็นทุกขสัตว์นั้นเกิดขึ้นเพราะนั้นเขาจึงเป็นทุกขสัตว์ของตัญหาแต่ปางก่อนตัหาแต่ก่อนเป็นสมุทัยสัตว์ให้ธรรมะอื่นๆก็นยะเดียวกัน ตัญหาที่ปัจจุบันเกิดขึ้นก็นับว่าเป็นสมุทัยศัสตร์แก่ท่าทอกอย่างเงี้ยรู ป, ประทัดท่ า, าทอกขณะที่ตัญหาเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็นับเนื่องในทุกขศัตท์เนี่ยนะเพราะเขาอาศัยวิบากและกรรมชรูปเกิดขึ้นซึ่งวิบากกรรมชรูปเหล่านี้ก็เป็นผลพวงของทุกขศัพท์ในอดีตชาติ ถ้าหากว่าผู้ที่ดับตัณหาในปัจจุบันชาตินี้ได้ก็ดับตัณหาดับทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตได้ทั้งหมดเ น, นส่วนธรรมะอื่นๆก็นิยะเดียวกันคล้ายคลึงกันหมดเลยเเช่นท่าทหกอย่างเงี้ 6, ยรูปธปาตุท่าตหกนี้ ที่จริงก็มีปัทวีธาตุเป็นต้นนั่นเองปัทวีธาตุเตโชธาตุอาโธธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุปัทวีธาตุก็ยกถึงปัทวีธาตุนะลักษณะที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายหรือนอกกายแต่ว่าให้เน้นปัทวีธาตุที่มีอยู่ในกายเช่นผมเป็นต้นปัทวีธาตุ ปฐวีธาตุสมุทัยปฐวีธาตุนิโรธปฐวีธาตุนิโรธาคามนินีปฏิปท า, านี่ก็สองข้อลงอริยสัจทุกทุกธาตุนั้นน่ะนี่ะขันห้าก็รูปประขันเนี่ยก็รูปรูปสมุทัยก็คล้ายๆกันแต่ว่ารูปที่แรกนั้นหมายถึงสีเฉพาะสีแต่รูปในรูปประขันหมายถึงรูปทั้งยี่สิบแปดนี่ะ แต่ว่าเน้นมากก็คือเน้นสัมมาสนารูปรูปที่พิจารณาได้นั่นเองทีนี้อนุสติทั้งสิบก็เป็นทุกขสัตว์ด้วยเหมือนกันนะตัวอนุสติสติก็เป็นทุกขสัตรเนยนะเพราะตัณหาในการก่อนเป็นปัจจัยให้วิบากกรรมชรรรมชรูปเหล่านี้เกิดขึ้นสติเหล่านี้ก็อาศัยวิบากกรรมมชรูปเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะันสติที่เกิดขึ้นขณนะนี้ก็นับเนื่องในทุกขสัตว์ตัณหาในการกรรซึ่งเป็นปัจจัยให้ทุกเหล่านี้เกิดขึ้นจึงเป็นสมุทยัทยสัตว์สติที่เกิดร่วมกับโลกภะจิตเป็นทุกขสัตว์เนี่สติที่เกิดร่วมกับอริยมรรจึงเป็นมรรสัตว์นั่นกสินก็เหมือนกันทั้งสัญญา หรือกสินสัญญาสิทธ์เนี่ยนะสัญญาที่จำในซากศพต่างๆ่ตัวสัญญาเจตสิกอันนั้นเนี่ยทั้งทั้งที่สัญญานี้ก็เป็นกุศลแต่กุลศลสัญญาเหล่านี้ก็ไปชมลงอริยสัจไดอย่างลงอริยสัจกระสินกสินในที่นี้หมายถึงชาญที่ได้จากปฐวีกสินไม่ใช่ตัวกสินซึ่งกสินจริงๆเป็นบัญยัต แต่หมายถึงฌานที่ได้จากการเจริญกสิณแล้วก็พิจารณาฌานที่ได้จากการเจริญกสิณ น, นั่นแหละพิจารณาฌานอนนั้นประชมลงสู่อริยสัตว์นี่นะนั้นกสิณสิบคูณอริยสัตว์เข้าไปก็ได้ทั้งเยอะละอาการสามสิบสองก็เหมือนกันนะส่งครอบผมลงอริยสัตว์ใช่ไหมเกษาเกสาสมุทัยเกสานิโรธ เกสานิโรธาคามินีปฏิปทาอันก็สามารถสงเคราะห์ลงอริยสัตว์ได้อายตนะสิบสองก็ตาเป็นต้นก็ประชุมลงอริยสัตว์ได้แต่จริงมีหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าหากว่าบุคคลสัต์เนี่ยมีไนเยอะจริงๆเลยนะเอาให้ดีสักไนเเนาะเอาไปวิจัยให้มันรู้แจ้งแทงตลอดลึกซึ้งสักไนหนึ่งอย่าลืมว่า ประตูอมตะที่พระองค์ทรงแสดงมานิ่มากจริงๆนะก็บอกว่าแต่ละคําแต่ละคําเหล่านี้สามารถแทงตลอดมักผลได้หมดเลยถ้าหากว่าผู้ที่มีบุญวาสนาเรียกว่าพอได้ในถ้ายัางลงสู่นิพพานนี่มากจริงๆเหมือนกับท่าที่ยังลงสู่ทะเลเนี่ยนะทะเลนี่ลงได้หลายประเทศนะย่างไงการที่จะแทงตลอดมักผลก็เหมือนกัน ในธรรมะบทใดบทหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าหากว่าบุคคลรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดด้วยดีด้วยข้อปฏิบัติดีข้อปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะแทงตลอดมรรคผลได้แต่ว่าเขาจะแทงตลอดมรรคผลได้ก็ควรศึกษาผูทธะคุณบทว่าสัมมาสัมพุโทโธให้เข้าใจเนี่ยนะเพราะว่าในธรรมะแต่ละอย่างเหลานี้